ด่านพระราชาราชาโนราชาโนราชาโนมียุทธภพ อ, องค์เรื่องซีมาเนี่ยก็มียุทธภพ อ, องค์เรื่องบทเรื่องสิมเนี่ยโดยไม่มีแต่ขังพระเจา้าหอบพระพุทธเจ้าองค์ก้อนก็คือกันองค์ซีมาทั้งนาคือกันต้องฟ้อนี่แหก็เพระว่ารุ่งราซาซะก่อนจึงเปลี่ยนลิซุงขา ม, มาซีมา วิสุขคามาซมาเลยก่อนอนการเฮ็ดก็โบดก็ซิมก็ไอ้ยั้งขึ้นแผ่นดินน่เป็นวิสุขคามาซิมาล่ะฮะส่วนที่เฮ็ดลักษณะจังไรนั่นมันเป็นเรื่องไม่ตั้งหาดอันเฮ็ดแล้วอกมาสมมุติให้สมสวดตรงยังลก็เป็นพัทธาซิมามีเยอะในพระพุทธเจ้าเ ง, งินกองทั้งนั้นสืบต่อกันเป็นไซม์ามาว่ขาดจากเธอ ในหลกงในสงสารอันนี้นักผลเนื้อานของเก่าขณะว่าอะไรแม่นของไม้พุทธเจา้าองค์ไมมากเอาข้อไม้มากจะแปลก 8, บะแมงอสาธรมโถนันตนโนทำเมนเก่าถ้าพุทธเจา้าองค์ไหนมาตัดถา้าผสมเทศนาก็มาตัดงเกิดโคงแก่้งกวโคว้งตายถ้ามจกกัปะนสูตรนี่ละกอนู แล้วก็มาแสดงอันิจจังทุกครั้งอนัตตาคือกาพวงไฮซัพทั้งร้ยเบอร์นายในวัตาสงสารดานชินกับิ้นห้ินปดิสองยีคือเกาหลินกัาจัดกิเลสยางหยาบด้กมจัดควบปกติ่วยยังหยาบสมาธิยากลางปัญญายามสุดท้ายจะลงช้นสมาธิปัญญาก็เลยกมกลืนกันไปในคณะเดียวหะล่ะ สิ้นแก e, ่สามารถที่จะแก้ขึ้นกันปัญญาะแก้ขึ้นกันนิพิธาควมเม่นนายในวัตาสงสารจะแก้ขึ้นกันวิลาข้าควบสินกับน้ำในวัาตาสงสารจะแก้ขึ้นกันควมลุกมพ้นจากควมสงสัยเจ้าของแก้ขึ้นกันควบบริสุทธิ์เจ้าของแก้ขึ้นไปขึ้นกันมีพ่านกับเป็นที่สุดหยอดขึ้นกัน เอาปอบพืชเพื่อผลทุกแน่ว่าท้าสงสารมุกนีปัญหาหลายดอกไฟพระเข้าคือกันปฏิบัติเพื่อซื้อเพื่อเสียงเพื่อแข่งดีแข่งเด่นกันเพื่อรับเพื่อเงิเพื่อบริษัทบริวารปัญหามันก็หลายแล้วเจ้าอีทานน่ะเดี๋ยวออกลิงออกไล่ติดตอกับผูกกับคนย่างนั่นย่างนี่ทุกทิศทุกทางวัตถุแล้ว ไม่ได้กินน้่งม่ได้อยู่อยู่กระดูกแขนคอแลหละลองปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวตารสองศาลเลยมันกับปัญหามันกับไม่ไดหายได้เนียมันทาหอมนึ่งได้เดียวขัดแยามาแข็งดีแข็งเด้นกันอยู่ในวตารสองศาลนี่มันก็ร้ายแล้วปัญหาของจะของแทงเอาของปัญหาจะของของมันบ่มันเกิดมาจากฝาดที่ดิน สิไรของเจ้าของนผู้แตง่งทำาคิปตลาดเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นทีนี้ไในวัฏสงสารย่างเต็มที่แล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเสมอนาของไส้แล้วับควมละอามันเกิบัตรองเอื้นหาลอกไว้กับม้าลวดชินกับบัตองเอื้นหาสมาธิกั บ, บ่ตรองเอื้นหา ปัญญาก็าป้องเอินหามันเป็นยนเ้ในตัวอะไรกัน่ามันเสียสิอยู่บ้านนึงสมาธิอยู่บานนึงปัญญาสิบ้นึงอยู่บนึงมักผลนพสอยู่บนึมื่อมเมนอยู่คนเดียวกันเอาโลดท่อเที่ยวกับทงหมากเนวันนังกับเหนือกเอ็นกกระดูกอยู่คนเดียวกันกันอยู่ เห็นน้ำก็เห็นเนื้อกันะเห็นกระดูกขึกันเห็นเส้นเห็นเอ็นกันขันว่าเห็นน้ำก็บเห็นเนื้อคือกันขั่เห็นนาก็บเห็นตาคือกันว่เห็นดัง่เห็นจมูกคือกันเห็นหูคือกันขนว่าลงอันนึงก็บ่ลงวัดขันลงอันนึงก็ลงวัดอา่ลดขันลงดินก็ลงน้ำลงไฟลงลมกันน่ะขันลงเกิดก็ลงแก่ลงแก่หลงตายกัน่ะ ินดีในศาตร์ในพบกับยินดีได้ทุกอันเดียวกันนะั่นแหละนั่นมันเป็นหน้าที่เขาที่พี่จ้าน่ามันก็ร้ายดิเดี่ยวนี้หน่อยเดียวดึที่เห็นซั์อันนี้มันก็เห็นในปัจจุบันครับพเห็นซั์ในปัจจุบันอันนด้แล้วอดีตตอนนั้นอ น, นาคตตอนนั้นมันก็เพิ่ขึ้นไปสองสายอีกดอก มันมอเห็นชัดในปัจจุบันอันใดอดีตในอนาคตตอนนั้นนมันก็สงสัยคำเก่านะของผู้นิยานําพผู้เจ้าผู้ใจสวนกับผู้เจ้าผู้ตัดสินกับผู้เจ้าไม่ทั้งเหตุทั้งผลเสื่อมกันอยู่เหตุไปทั้งชัวกับผู้เจ้าสึงหุงจับเหตุไปทั้งดีกับแม่งผู้เจ้าถึงหุงจับของผู้เจ้าเป็นผู้สั่งเพราะงายคิดตลาดเป็นผู้ภาคเราสั่ง เหตดไปได้ทั้งเพื่นในวัาสงสารเหอพยัญจคิดเป็นตลาดเป็นผู้สามเห็นโทษเห็นภัยในวัาสงสารเหมือนพยัญจคิดตลาดจะเป็นผู้สามเหมอนผู้แก้ผู้เจ้าใ จ, ใจใมาแก้ใจใส่ภัยมาแก่ตาหูจมุกลินแก้บ่ได้ถึงข้ามมันก็แต๊กไปมันห้ า, ามทางจุก คอนแก่คอนเก็บคอนจ่าย เ, ยเางินกันตังเดีลูกมาไลยคู่ไล่คนจะเป็นสุปวะสันมูตโตเป็นสุปบอสสันมูเห็นผู้ใดเป็นสุปแล้เด๋ยวนี่เสียงคนแล้วดวงแล้วดวงเขาก็มาพุด คาเราเลียงบ้างค่าอันนั้นบ้างค่าอันนี้บ้างสารพัดแหละมีทารพันเขาเขาบอกว่าดีว่มีทรารพห้เขาเขากัดพอเมีนี่บกขวงบ ก, กวงเวสม่นนําเสียงพอเช้งแม่อีกมึงเห็ดวออกมาให้ยังเพราะว่านี่บบน้าสาโหดปนานนั้น่คนเฮา วันเวก็มันเป็นสุขในงลกนูกอ่ะเนี่เอาหาบง่งรูุ้กของเครือขก็มีอยู่สีอย่างทอนสุกเกิดแต่คนไม่รัพย์สุกเกิดแต่ใจรัพย์บริโภคสุกเกิดแตงแต่ว่าเป็นหนี้เป็นสินซุกเกิดแต่ทำการงานที่ปราชญ์โทษแต่ว่าซุกมูลเหงียนอยู่แต่อำนาจอันนี้จังอีกกองอันนี้จังไม่ล่างซึ่กันนะบริเนบร้อน เป็นเจ้าเป็นนายสุกาบสุงงดเนี่ฮเนี่อ๋อทำงานดีที่สุดเลนึจกกระเซียนจกพารุ่นกับมัเขากองไฟล่ะเนี่ยจกกระเียน่ะพระอาญาเจ้าจกกระเซียนผบ่มาเกิดแก่เ็บตายอีกเส้นหนึ่ลงหันม่า่จกกระเซียไปจังสันด้หันจกกระเียไปท่าโมเมน์เนี่มูห พระพุทธเจ้าชนะชนะควมหลงเจ้าของพุธพระอริยเจ้าทั้งหลายไปก็ไม่หมักก็ไม่ทิ้งเม็ดทรายในทองมหาสมุทรมู่งเฮาหรอหางดอกไม้บุษราจะควมหลกควมป่วยควบหลวง ม, ม, ม, มุ่งของมู่เฮาพุทธิเหตไทเฮ า, าบางกับแม่เฮานี่เองผู้ธิเหตไทนากับแม่เฮานี่เองเฮาจขึ้นต่อผู้ใด เฮ้ยวัหนาตัวยังหนอยอยู่อะสันอันผู้ที่เห็ุให้ร้ายเป็นไผ่แต่นาว่ามันเฮ้าบอกก็ลงมือเหตุเราบอกมูจาเข้ามาหน่อยตัวมันแห้งติดควาเหตถึงนอนคลอยให้มันร้ายอยู่สันบอกโมเฮ้ามูจกว่าตูวมืดนานตัวแห้งเทีให้มันสว่าง โอ้ยกูมือจูกกูไ่เห็นหงวงว่าสันติว่าไต่บนสันไฟสิชมีมึงสันบอกเหลือไปมึงดูเอ้าเหลือบึงขึ้นบึงอดีตมึงดูมันได้มูตัวได้รับสุกมากมีจักแนวบอกม้ามกปัจจุบันนี่ด้วอ้าบันได้มันมันสุไในสกดลรหล่างกายนี่ สนจิตใจโยกย้อยเพื่อได้เห็นท้ำสูงกับเป็นซุกด้วยแด่คนตายมันเป็นของเทียงนาเดียวเทียงว่าที่ตายอันนี้จังเป็นของเทียงนาเดียว ท เ, เทียงทั้งโมมันบะเทียงมันมันนิดจังนิดจังนะมัเป็นของเทียงมันเนมาเกิดแก่เก็บจายเป็นของเทียงเดี๋ยวังอดีตเกิบดบุปผาตาเรือสใสผ่านมาแล้ว เรื่ององอนาคตกับโเปตาเรียมใสเรื่องงปัจจุบันในสกนนหุหน้าร่างกายเนี่ยของโมเปตาเรียมใสมีตะกองทุกขั้นจิ้น้วล่ววามคีกันเานั่งโดนกับปวดแข้งปวดขานั่งโดนกับปวดแข้งปวดขาหรือ ป, ป, ปานกรรมทานไฟคือ นี่วัดปงมันว่างห่อนมือนี่เป็นโยนขึ้นเอามือนี้ครับห่อนมือนี่เป็นโยนขึ้นเอามือนี้ครับเปลี่ยนไอเดียบดก็คือกันหายใจเขาออกกับบรรเท่าทุกข์นั่นแหละแต่มันบอกบรรเท่าทุกข์มากจนค่อยสิ้นเป็นของธรรมดา แต่ธรรมดาถูกด้ว่ามันธรรมดาสุขคือพระสวัดาบัณาข้ามีเอา น, น่า้ามีอรหันเด้เข้ามาในฮิตทั้งสีู้ลังคนสารพัดที่เป็นโอ้ยขอให้หลวงปู่แพเรรมิตตาให้ได้ขายของดีๆได้เพราะว่าขอให้หลวงปู่แพเรรมิตตาให้ลูกให้ร้านสอบไ ด, ได้ได้เพราะว่าตามภาษาของเขา เออโอ้อแผ่เมตตาอยู่หลวงปู่เพื่อเป็นจริงตัวก็ได้แผ่เมตตาในโล ก, กี่ในตัวแพ่ในโลกุตรละคนโยนิชีทุกาสนาจงป็นสุกในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ตุกเมืองแพ่อายุสมื่นบ่ามันบ่าแพ่สุกในามาพุทธพระธรรมประสงค์มันสุกในพระโสดาบันถา้าข้ามีอหนาค้ามีเนี่ยมันจังสิสุก่าวนา สุปในสมบัติพัสสถานขายนอกมันว่าเนซุกได้มันเอาทุกมาหายได้ซึ่งไหนได้ยิมส่ซึ่งนั่นก็คือได้หายไซซึ่กันเพราะมันบวมอันบวชียงด้ซุปในสวดดาบันจักราตุข้ามเมีหน้าข้ามเมียมันซุปก้อนหนาคือเหือนวันขางขืนนี่ได้สิปัถนะเขาเป็นซุปนั่นทางโรกกี ตผู้ปฏิวัติเพื่อพ้นทุกข์มันก็ผสมฐานะของผู้ตูภาวนาอีกคือกันหลวงสันเอาหลอดว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาสอนเอาโรกขี้ติดชุกจะเชื้อองค์งินวัดนี่สวรรค์ชมบัติภพมสมบัตินี่พานสมบัติของวมหัวเทียงไอ้หลกหลานเลยวะสันมูงซูไปหอดหันนะซูไปจปะปฏิทิอยู่เด้อวะสันหันพงศยักล์รองนาไวัยสดีกลัววะสัน มันจะเ่็นอะรยังดีสวรว่าหางเหีวรัดเจ้าของอะไซ่มันจะคือว่ไปถืแอแข็งควนว่าปักขวกรัดเจ้าของอะไซ่มันจะคือว่าไเหยียบไม่ใช่มันจะคือนิ่งไม่ใช่นิ่งคือจากไหนคือมันโมยินดีได้โดยทั้งปวงแดียวว่ามันนิ่ง ข้หลอบหลวในกองสังขารเรียกว่าปัญญาโทษที่เกิดพกกเพราะความละเมิดความละเมิดบวปฏิบัติศีลธรรมที่พระองค์เอาไว้ให้มีทั้ของดีๆทั้งนั้นเพชรนิ่นจินดาในไตโลประทานนับจะพ่อมโลลงมาของพายนองทอ่อคําสอนพระพุทธเจ้าคําหนึ่งบอกมีค่า ได้มีคาต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าคำหนึงสำเนียงบดหนึ่งบาทหนึ่งสำเนียงเาบอกว่าในที่วอกนี้เขาได้ประมาทดอกว่าตามข้อเป็นจริงอาศัยปัจจัยที่ที่ว่ามินธบาทหลวงพอได้ปฏิบัติเพื่อผลทุกในบรรดาสงสารสีไปอาศัยจนติดอยู่จนที่เอาเป็นเครื่องประสับขันแ ข, นข้งกันกูได้รอยมึงได้หลายให้มันดังอยู่ในโลกอันนี้มันก็มาถึงอีกขึ้นกันแล้น บอกของสัต์เอาหลอดว่าบใจชี้คิว่ามินธ บ, บาตเสนาสนะและเพศสัตว์มันก็อุปมาคือเหือคือแพริชี้ขำฝากพอเป็นอาหารของร่างกาย อาหารของกิจใจมันธรรมะพระมหาสติพระมหาปัญญาสิขามควมหลงเจ้าของนั่นอาหารของกิจใจนั่นก็เจตีจีว่ามีธบทเชนาธนาเพศซั์นี่เป็นโรงพยาบาฬไฟากายรอกนี่เพราะในบรรเทาไว้จะฝอดตายง่ายไายรเพื่อนกรรมจะสะตสดก้อนคอยได้๋ยวข า, าดซัตัดชีวิตไหวไร เคยแต่าเขาเขาก็มาขาโตเคยแต่ขาโตเขามาขาเขาเนี่ยจิตพยาบา ล, นลบเนี่ยปานนี้ก็บโมเรือล่ะก็ไปขึ้นเก้าหนละ่สะสักคนแล้วร่างกายก็ได้ถ้าตายง่ายก็ต้องขึ้นเบื้องเบื้องเบิงบ้งหลังเจบของเ้านด็กเคยขาสัดตัดชีวิตมามันก็จงตายง่ายถ้าเป็นโรคไข้ ก็ต้องคืนเ บ, เบื้องหลังเจ้าของข้าเคยได้เบียดเบียงวซวัดมาจังมีโรงมีผ้ยหลายนี่แล้วมิเตเจ้าของทางไหนสัางไว้มีนผู้อื่นมาสัางไหม คนตายวกคนตะเกียบเขบว่าสอนสอนคนเป็นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะไม่ใช่อภิยกะกตาธรรมะไม่ใช่ถ้าหากว่าเขาทำบุญเขาไปหาบุญเขาเน้อไม่ใช่ถ้าหากว่าเขาทำบาปเขาไปทำบาปไปหาบาปเขาเน้อไว้ยังสั่นดอกผมันเท่เลยคนตายเทศเหคนพวกไปรงส า, านึ่ฟัง นั่นประยุนตะการนั่นจ่าท่าม้านั่งอันนั่นตราปัจยนปัจเย่าเยเมาสิขันทั้งบุญไว้เป็นอั น, นันตราปรจัจใยมันก็ไปทําบุญขันทํางบาปไว้เป็นอั น, นันตราปรจัจัยมันก็ไ ป, ปทั้บาปกันพ้นจากกิเลสกับเขาสู้รนนี้พลาดคนวายังสั่นหร อ, อกเอาเป็นพยานเป็นบุคลาคิธาน พิพัาษาอยู่หูดังตายก็ตายทีหันละในส่วนกายในส่วนใจตายใส่วันวัน ว, นวนยินดีในวันตจ้าสงสารผุนแ้ั่นก็มันตายเน่พร้อมหลงตายหมด ขาโค่มหลงเี่เดีย๋ยสิสิตอสูงค่นหลงเลยเดยแล้วมันจะขานอื่นเขาโค่หลงมาเป็นพ่อเป็นแม่เพแห้งแหละขามันถิ่พ่อแม่ทั้งบอ ด, ดีมันบอมันพ่อนแม่ดอกหลบไม่ทได้จขามดโกดไม่ ท, ทัได้จะขามัด หลุกระเบิดปรลมานูคําสอนเระคนทธเจ้าว่างแซมันสอนลงในใจนี่ไม่ได้สอนลงบนไหนใจดวงเดียวเที่ยวั้งสามอย่างบ่แล้วเพราะว่าถึกแหวของพญามา ขันธมารมานคือปัญจขันธ์กิเลสมารมานคือกิเลสอภิสังขารมารมานคืออภิสังขารเทววุฒามารมานคือเทรบุตรมณณามารมานคือมณนะมัจจุมาณมานคือมณณะขันธนะกิเลสมาร์น่ชนะได้เม็ดมาร์นว่านว่ามาแกมาแกมาตายอีกขันธามารก็บวัฏโมกข์อีกเทรวุฒามาร์กับวัฏโมก เป็นอีกเทวบุตรอำนาจสิจัดเป็นมานนี่วะพูดได้ว่าเกิดเป็นเทวบุตรก็ยึดแต่อำนาจอั น, นี้จังเนี่ยเกิดแก้เก็บตายถือกันดิก็อนอว่าเป็นมานขันประพืชพมจันร์หลวงเพื่อที่เป็นเทพเจ้าองค์ไหนองค์หนึ่งก็ดีสังเกตแต่หน้านี่เนี่ยพมจันทร์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าดางังชื่อว่าพ่อยเมถุนสังโยกเนี่ ยอมบมพนไปจากทุกได้มีไหมกควบวพนทุกไปในปัจจุบันนาสัยจะเป็นนิสัยนี่ยเป็นอยู่เราพึ่งพึ่งกันหวังเพื่อจะเป็นเทพพระนาเทพพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเงื่อนว่าสามารถจะพนทุกได้ในปัจจุบันนิสัยพลางสิหรอกแต่มันห่าเป็นนิสัยอยู่ในศาสนาศาสนาคน มอมีเนวปิดบังจากแนวเฮามีเกล็เฮากองจักเกินนี่เฮาบ่มีเฮากองจักเกินนี่เฮาปลาพืชชินพืธถ้ำเฮากองหุจักเข้าอยู่นี่เฮาบลเหลี่อมใสในปลาพุทธเจ้าในปลาถ้ำประสงเฮากองหุนจักอยู่เฮาเสือคาสอนในพุทธเจ้าเพียงใดเฮากองหุจักอยู่เฮาเบือเพียงใดเฮากองหุ่นจักอยู่มันปิดบังมันใดสันเฮาสงสัยเฮากองหุจักอยู่เฮาสงสัยเฮากองหุจักอยู่นี่ สันทิษ ท, ทิกโกเห็นเองเขาเรียมใส่แต่ปากก็เสือบอกเอาแต่ขวามาว่ า, าเพื่อในนอห้คนเสือซสือว่าสันเข้ากับหุจับเข้าอยู่หรืเอเข้าว่าอิลี่สันเข้ากับหุ่นจัเข้าอยู่เข้าจไปหาพยามาใส่สันเครื่องทดสอบดอ้วยมัตสูนเนนี่แหละเครื่องกดจะขวงไหนด้ว ย, ยมัตเนล ข้ามาปฏิบัติพระพุทธศาสนาเนี่ยามาเพราะเป็นธรรมเนียมมนซื้อบอกหรือข้ามาหวังมาเพื่อทิพบพิพพ่อพระพุทธเจ้าองค์นาพุทธันบอกข้ากระูกจ้าข้าอยู่นี่มันมีรับอยู่บนไดนซะหน่นะมีสิทธิ์อยู่บนบนข้าวบอมีสิทธิ์ดิ คุณมานัทแล้วค่อยมาไกลฮิตพระธรรมฐ า, านที่จังหวัดพังงาเขาเที่ยงกันเขาด่ากันเด็กคนนี้ไม่ล่างหน้าว่ามันมุกปากเล็กน้อยพูกนั้นะเที่ยงกันพวกไงพวกนักพณิว่าล่างแล้วคุณมานัทไปแดือตัดบดเทียมกันทำไมล่างไม่ล่างมันก็รู้จักมันอยู่ว่า บาพาปล่อยเลาเหมนกนถ้ามีสิทธิ์จะหมดได้ยังไบ่ใช่ว่ามีสิทธด้ถ้าเสียคาสอนพระพุทธเจ้าบ่หรือบ่เสือ่อห้าของจักข้าอยู่ถ้าปฏิบัติพอเป็นธรรมเนียมบ่หรือหวังพบนาพบไนบ่ข้าวกรุงจักข้าอยู่ หรือเข้าหวังพ้นทุกโดยด้วนบอกสิเข้าของหูงจักเข้าอยู่นี่นี่เขาปฏิบัติไม่มีผู้ใดถือมาหุงจักทอเข้าเล้เดียเข้นานั่งอยู่บอกหืหอกหอกหอก้อเข้าอยู่นีเดียวนี่ตัวผู้ใดถือหุงจักทอเขาดเดียร์เราเป็นเขาเ่ม่มผู้ขายนั่งอยูบอย่บ่หื้อเดียรนีสีางเสีนบอสอบใจบอหมอเนี่ยหัวย่ำ <laughs> พระพุทธเจ้าหายสิทธิ์จริงแหละศาสนาพระพุทธเจ้าว่ามันของจั่งว่ามันคองบายว่ามันของอเอาเบเนบ น, นี้แบบนั้นเป็นของว่างชิดให้บุคคลผู้ฟังเห็นเองผู้ปฏิบัติสิตองเห็นเอง มัพุทธโอ้ยเอาพูโอถ้ามานาะให้เอาอ น, นันต์บด้กรรมอยู่จำ ก, กับอยู่นียอภภาวานานอนก็นอนรับขาาา้าภาวนามมืออเศ้ากูจะไปเห็ดอ น, นันตมืออเศ้ากูจิไปเ็ดอันนี้อสั น, น, น, น, นกะเก้าวไวา้ซักสองหน้าที่หรือมันก็แล่วเท่านั้นขึ้นโมหันต์หวมือเศ้ากูไ่ได้ไปเห็ดกูจะไปขึ้นน้ามันเนี่ยยังกระดกภาวานานอนรับขาาา้าภาวนา ข้ากา้างานโซโม้งเดียวท่นแค็ส3ปีก็ บ, บเบิดฐด้ยังอสองสันอรุณว่าคนปารธนาในวัดตาสงสารคนปารธนาอยากมาเกิดแก้เจ็บตายอีกม่นเป็นคนตลาดเด้ ชวนผู้ปาร์ น, นาผู้คนตาเจ้ายกไหวชวนผู้สาวอกชวนปาร์ น, นาสาวอกบางสาบังขัวของพระพุทธเจ้าองเงินอื่นโยกไหว้คือกันผู้สั่งวาลามีมากแก่กาลแลดึงมันกระโไปแล้วขึ้นบึงทำงาน เขาว่าจะให้แล้วมือนี่เวสันมันกลายเป็นมือนาก็มี่มันกลายเป็นเดือนหนึ่งสองเดือนก็มี่ท่านสิมาเจอน้าคตการนันเทอรนอน้าคตการนันเทอร์นนี่มันก็โคดไปเรื่อยเนี่ย แ, แล้วมันละบอกเจ้าอี้ท่านดนับหน้าแข้งกับเขาว่าแต่เขาขอดคันแท่ก้อนเขาหุ่นถ้าไปแท่เขาอัดไใบยองของเขาออกมาเกือบจาย ยาพวกเขาเขาลมเขาก็หายน้องฮอดติดตามกันยอะขี้ว่ากันกล้วยมันกับ่ะดรแล้วเวลามมหน้อยแต่ละศาสตร์และพเนี่เวลามีหน่อยทอร่วมห้ยใจเขาออกเท่านั้นผููตื่นอยู่ด้วยสติแต่จะรักษาเขาให้มีสติรักษาคนมา สติมาตสเวสสวโยนาทักาลนธรรมธรรมที่พึ่งสิบอย่างชี้นรักษากายวายาเรียบร้อย นี่เรอายต่อบาดทุดจริตโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาดทุดจริตถ้าเป็นที่เพึงสิบอย่างกัญญาณามิตตาความมีเพื่อนอันดีงามอันนี้ก็เป็นที่เพึงห้องตัวโสรจัสตาเป็นผั่วง่ายชอนง่ายอันนี้ก็เป็นที่พึงห้องตู กิจกรณีเยซุทักตาความขยันเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนภิกษุสามเณรก็ดีของประชาชนก็ดีอันนี้ก็เป็นที่พึงธรรมกามตาความรักใคร่ในทรรมที่ชอบอันนี้ก็เป็นที่พึงของตน วิริยะเพียงเพื่อเจริญความชั่วประพฤติความดีอันนี้ก็เป็นที่พึงห้องตสันโดษยินดีโดยพระนุ่งพระห่มอาหารที่นอนที่นั่งและยาตำมีตำได้อันนี้ก็เป็นที่พึงห้องตูสันตุถีปรมังทนงความสันโดษเป็นครับอย่างยิ่ง มีจังไหนก็ะสันโดดจังสั่งเป็นชับย่างยิงพทธิเจ้าขอฮับขี้ฮปนเป็นสปนบย่างยิงพระพุทธเจ้าว ไ, ไ ว, ไไวได้สรรเสริญไหวได้สรรเสืินวัเลสรรทุตีปรมังฐานั่งเนี่นยกสันโดดเป็นเป็นชาอย่างยิงทั้งคือชาบภายในนีปัญญารอบรู้ในกองสังขารามเป็นจริงอย่างไร ตามเป็นจริงคือสังขารทางหลายมันบทเยี่ยมมันเป็นทุกมันเป็นอนาตานเนี่ยเยีางว่ารอบดูในกองสังขารตามเป็นจริงอ่ะอันนี้เป็นท่านเป็นที่พึ่งของสปองอัจหิยะตโนนาโถจนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของกาอันเดียวกันธรรมเป็นที่พึ่งของธรรมก็อันเดียวกันธาตุเป็นที่พึ่งของธาตุก็อันเดียวกันคือมโนธาตุ อินซี่เป็นที่พึ่งของอินซี่กับอันเดียก่อนคือมานินงซี่ขันเป็นที่พึ่งของขันคือมานู่ขันท่านเป็นที่พึ่งของท่านคือมาน่ธรรมะควบเก่าหันล่ะเขาบอกลายบอนเขาบอกลายอ่านซื้อเพื่อให้แตกฉานซื่อก็บควบเก่าหะ นี่คามายเก่าขนานโมบาเดียววายพอถึงพระนิพพานคนพุทธทั้งบาเดียวยั่งถึงพระนิพพานคนถ้ามั่งบาเดียวยั่งถึงพระนิพพานคนกราบที่นึงยั่งถึงพระนิพพานคนเด้กาเพื่อแก่นาเด้กาเพื่อให้มันถูกครับสังคมด้วยซื่ มนุษย์สมบัติเม่ธไดสวรรค์สมบัติเม่ธไรพร่มสมบัติเม่ธไดสุทิศกุลละกายว่าจาแกายเป็นมหาสมบัตินั่นบุษราพุทธพระธรบประสงค์ทุ่งนาผลนรัพย์สิส้ค้าดบริวานในใตโลกธาตุนี่เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานเมื่ความรู้ในใจโลกธาตุ่เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานเ แม่เขาสิบวัลยตัวกระตามไถสิบวัลย์บรรยัติก็ะตามก็เป็นจริงวิจังสันวางสันเถาะขุมหนูวิชาใดๆก็ว่าเธอบอทวิชาชนะสัมปะโนสุก โ, โตโล ก, กวิทู่ของพระองค์เจ้าดอกอนุตโตบริษัทธรรมสาของพระองค์เจ้าดอกก็ต้องาวดีแท้พระองค์ก็เป็นโลกทั้งลาย หนูทั้งหลายมันอวดดีต่อพระองค์ทิศอ่ะกามันนี่กามันสิบีจะเสียงปืนยลลอบดา้ามีน้องเว้นสน้องไข่กันอยู่นี่กูขามึงมึงขากูกูเลีนเมื่มึง ม, มึงเลีนเมื่อกูกูรับของมึงมึงรับของกูกูแง่ให้มึงมึงแจ้หน้ากูอยูวงสิท่ะในวัดตาสงสารอันนี้กูกินมึงมึงกินกูอยู่นี่ วันไดมันมีบนซุกทอเมีดงาคาหินขันมันมีบนเป็นซุกทอเมีดงาคาหินพระอเดียเจ้าซุมเงินไปบันไหนวินญ่ามจะไปจับอยู่ไหนจะเป็นเพศสาอยู่บนนั้นบนทอคาหินบนทอเมีดงามองมันวันไดนบ่เห็นจริงฮะเนี่มองทั้งตาหนอกตาในกัดลุงกันเอ่ยกันพราะเหตุไดพราเหตุพี่เจ้าธรรมะเนึ่งเรื่อง ผู้ไข่ถ้ำผู้ไข่ควรทําเป็นผู้เจริญถ้ำมากาว่างพระโบรของปรตูผู้ยิงหางเหมือนจากถ้ำเป็นผู้เสื่อมเพราะน่ะเหมือนพระจําในวันขลางแห่งเพราะน่ะความยินดีในถ้ำชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในความรุ่นทนชนะความยินดีทั้งปวง ขอเห็นโทษในวัดตาทงสารชนะขวอมเห็นโทษทั้งปวงความเห็นคุนในภายในพล า, านชนะขวอมเห็นคุณทั้งปวงถ้าว่าข้อมเกิดข้อมแก่ข้อมแก่ข้อมตายมันพอใส่พอซอยมันยังอร่อยมันยังแซ่บด้วยวะสันมันก็ไปว่ได้ไง่ายแล้ว คะแนนมันอยู่ดิส่งเสริมมันอยู่แมละแมมละแมมล็ดมันก็วาสนาเกเรตอ่ะเครื่องแรกมันก็นกวา่วาสน้าถึงว่าว่าให้บักวินอะ่ะแชนเชนมาให้ปหา่ไยนอกไม่แนละ้วมันว่าเป็นปัญหาเราข้าวอ้ะวาสันโตจะไปะผูกข้อตายแด้ว่าสันแชนเชนมาให้ปหาบ้านที่ดินมันยั่งยอหรอกวาสันไฟเกเรตไม่ เัาควรจำสําคั้นะสิค่อยถือบ่ีวิบวด้วยบเนี่ยรโปดรวงนะเอื่องเือนี้มันเป็นเรื่องเก่ามันมมนเรื่องใหม่เลื่องเขาคยทองเที่ยวมามันคยใหม่มากกว่าหี้มันใหม่ตะบานค่อยตัมันใหม่พ่นกระดูกข้าวผีมันที่พ่นไปได้บ่คือกองฟ้อนนั่นมันใหม่เพื่อนพ่อยหนอมันยัไข่ตัวมั่นก็ใหม่กระดูกข้าวผีแต่ถ้าตายนี่ยหลที่เอาไปเผาต่ตัวเร ทำไมพ้อ ก, กระดูกข้านี่ที่สมมติว่าเห้าๆนี่ทิพ้นไฟไปได้บ่ทีบอกยงนี้เต้มันสิอไหมเหื่นไฟนอกยาสุไหคีเรตไหม่เหื่นไฟนั่ยท่า น, น่านะมัน น, าน่าจะพ้นทุกมันถิบมาถึงไหมยอยู่ไร่ชาไรยพบ มยาเห็นมันมาหลายพบยางผูมักษาแท่ยางไหกลกยภาษียาเมดไจพระพุทธเจ้าองไนยองไนยแตมันทำอันเก่าพระพุทธเจ้าองไนองไนกแตมันถ้ำอันเก่านี่ห้องก็ทิค่อยน้าแม่นเห็นหนายเจ้าไปยังหลายพระ อ, องค์แทะ ขวั่นขวงมังวงเฮียงวาศาสนาพริยาเมตไตมบนนยุนพระก็จะไปเกิดจะไปกินไปขี้โดด ต, ต๋ว ยื่นในพันธ์านก็รมพันธุที่ไปยื่นในพะพนิพ์านคือกัน น, ะนั่นนะี่ยบ่เกิดบ่แก่บ่เก็บบ่ตายได้คุณได้ไปหอดังจะยืน่นหมดนะ่ คายกระดูกแม่ข้าค้ายกระดูกหับ ย, ย, ยังไงยังไงยังไงข่อยงายิ้ตะลับขับขึ้นบาง ย, ายัยบาง ย, ายัยบางยัยขึ้นผู้ขัรบรถหางกระดูกเท่ขั้นนี้มันไปซื้อขันไม่กิเลสยังมีอยู่ผู้เขาเบื่อแล้วเขาไปซื้ออีกได้รถนะ พู้นมว่ามากอศาสตร์ก็พ่อไปซือกันชีนั่งผูล่าร่างนว่างนาทีสัมพวงมีนาตาจิตตายติเกผวัสสิมิงติกีนาพี่ชายวิรุณิชันทานี้พันธีที่ล่ายะไทยย่ำปฏิปูีอทัพปีสังเทรตนั่งมณิตังเอเตนะสัจเจตตัวทหัวตัวแทนพระอาดีเจ้าผู้นายพบต่อไปแล้วยอมยอมดับไปดับคังไปเหมือนดังปฏิปดับน้ำ มนน้ำน้มดับปฏทกบุญพืชพืดจิตปูไปอีกแล้วพืชจิตปูประทังนานคือค่วมเทียทร์ทยานในวาตาสองสารขันเห็นโทดชักับครับว่าพืชไม่สามารถจะใช้มันมก็นกรีบแลยขอให้มาหมเห็นมันคับ ก, กันเถอะมันก็เห็นคุณในทาเบื่เกิดแก่เจ็ตายผนเป็นเอเนกปริยายเข้ากันไง มันเห็นโทษได้ทางเกิดแก่เก็บแต่กักขักละ่ะมันก็เห็นคุณนในทางเ่เกิดแก่เก็บแต่ร่มเออเติดไปรอดเนี่ยวิ่ีปัญหาปัญหากันหน่อยลงละ่ะปัญหามันร้ายเลยนี่เพราะว่าในโลกอันนี้พ่อใช่พ่อสอยกินคือพอกินนั่งคือพอนั่งนอนคือพอนอนนีน้าบอกว่าอืม แตมันเห็นโทษแ่สักก็คั่งห่วยใคเห็นว่าตัวมันได้นั่งอยู่เดียวนี่เห็นหอดพบมะโลกคนเห็นหอดมหาวิจินะโลกคนเห็นโลกทิศ เ, เ, เห็นมดประเทศไหนก็เห็นมดนั่งอยู่เดียวนี้เห็น ด, ญญด่วนตันญ่าเด้มันมั็นด่วยสมาธิ เห็นขวอมตายก็เห็นรอบโลกขึ้นกันะเห็นข้อมแก่ก็เห็นรอบโลกขึ้นกันะเห็นข้อมเกตก็เห็นรอบโลกคือกันเห็นขวอมปัถนาพรไเนรสมวังก็เห็นรอบโลกขึ้นกันเห็นโลภเห็นโกรธเห็นหลงก็เห็นรอบโลกขึ้นกันเพราะโลภเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงจึงหนึเรียกว่าโลกขันว่าจังสั่งกับ่สิ่งข้อมสงสัยจะเทอะไรแล้วอีิ่อยแมียคอยเลยอืม ผ่ตัด ป, ปัญหาจะกของกับพสิ่งควบต้องใช้เทียนเนี่ยผู้นำคนบอกว่าโอ้ยพูยกใครจัไม่อาพินิหารเนี่ยว่าสัตวเออช่ประเทศเอาคนว่าสัตเทศเอาจะคของันไปยังอเออทำไมพลุทุบปะทันไปยัง ประเภหามันมีย่ทุกตัวสัตดอะอนุสาสรีปาติหาริย์ปฏิหารในพระพุทธศาสนามีสามอย่างทิทธิปาติหาริยะฤทธิเป็นอธิกันอาเทศนาปาติหาริยะดับใจเป็นอธิการอันพวกห้องนึกคิดอยู่นเี่ยว่ามันหุ่จักรพุกเขาพรนมาดักบ่เดี๋ยวนี้จะเพิมขึ้ อันนั้นเยอะแยะนี่วะสันสะอ่อนเพิ่มพันสมองร้ายกาเจ้าของบ่เจ้าของหุ่จักยู่จะมาผสมอ่อนสันเจ้าของนึกคิดอันนีเจ้าของเอานจักรด้วเนี่ยผู้อื่นมาถ่ายถือกิดจิตให้คะแนนเขาร้ายก็โตจังไหนให้คะแนนโตันไปแล้วโตของจักรกรเขาอยู่เดี๋ยวนี้เจ้าพ่นึกเขียนนึกซ้ำคนนั้นผู้นี้ได้ว่าสันเขามาถ่ายถือเกิดว่าเขาดีอืม คนบ้านคนเมืองให้เขาส่นบอกคนมาให้โตขันเปลี่ยงคนธรรมธรรมโมมาใหา้โตขันเปลี่ยงตัวมจักรขเขาขนตัวนี่เป็นอา ธ, ธิการ น, นี่เป็นอา ธ, ธิกันผู้แสดงเลิ์ได้เนท่ธรรมโมฆรายังแสดงอยู่ต่อสมอนี้ว่าเขาสู่พขาได้าดนะบอก อันนี้เดนดมันเป็นมันของเทียงบอกมันกับ่เทียงได้หานอาุษาชนีปาฏิหาริย์นี่นี่คำสอนพรอาทิกันเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์ทุกตัวทัพยนน์อันนี้เป็นปฏิหาริําคัญในทางพระพุทธศาสนาท่านดีๆลท่านเสวียสวีบนปาฏิหารบอกผลจากทีเด็แล้วเขาสู้พระนี่ผ่านบนมหาปฏิหารหมดนะมาผลนี่พ่านบนมันปฏิหารบอก ปฏิหารบมีปฏิหารหลายจนบมาเกิดแก่เก็บตายจนบห ล, ล, ลบโกรธบหลงมันปฏิหารหมดอนุาสาชนี่ปฏิหารเยะและนะคำสอนไมอธิก น, นะเราบองศาห์าพวกยักแนิดเนียดได้สิวิพวกนับถือหลายเออสิวิพวกคูพเข้ารบหลายสิได้ ก, กินหลายสิได้ขี่หลายสนมัน เรือมันกสดแสดงเห็นว่าเจ้าของพระท่านพลนอย่างไรลี้เด็เดพระพุทธเจ้าทรงห้ามเหมือนกันผู้หองพลนทุกนว่ตาต้องสารโดยดวนจะไปห่วงลีดห่วงเด็ดเด้อพสันอนุสาสนีปฏิหาริยะนั่นมันเป็นปฏิหารอยู่แล้วพระพุทธเจ้าคนเทศนี่สเด้ท่านดี ด, ดีท่านสัวอะไรสัวพ่นจากลีดเดแ็แล้วบุมีแนวสงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยลุกนีเนี่ ทิศโูบาโซกุบาทิศตาทั้งหลายยังมาท่านผลถูกในวัฏตารสงสารนี่นอนใจนะโอ้สัไว์ฝ้ายไม้หื่นเยู่เได้พระพุทธเจ้าฝ้ไม้หื่นเดียมือเอือนมือหื้อจังสีดับมันสีได้เบาเสียนรีบดับเสียอุปมาคิเลตยิ่งเนี่้คันทาสันดาของพวกท่านทั้งหลายอุปมาคือฝ้าไม้หื่นเนี่ยมนมีกระเวงกระคืดไดสนมืออืนยังสีดับบาหรือมือหื้อยังสีดับเน อาสังฮีนั่าสังกุปปังตานทำก้นเพื่อนพนทุกมือนีดีก็มืออื่นพนวางสั่งจะทุกพัดวันประกันภุมิพนวางสั่งเลาไม่น้อยเต็มที่พนวางสั่ควบซากับไม่เท่าเป็นผู้เฮ็ดซาควบไหว้ับไม่เท่าเป็นผู้เฮ็ดไหวของกําลั่งเท่าไม่อยู่กําลั่งแข็ง คือกำลังปัญญาคือกำลังสติคือกำลังศรัทธาเดี๋ยวว่ากำลังบ่ามันกำลังจากกายภายนอกต้องตีต้นกายตายก้อนไข่กันเอเห็นเตือตายยังไงเหรอเฮาประสงส์ยนะเฮายังบ่ขึ้นไปเบิ้งเงินนี้ถ้าบ่อน่ายนะเฮายังบ่ขึ้นไปเบิ้งเงินนี้ นี่กองขีก้องนึ่งนี่ีกระตือเกี้ยวเยอะนี่มาสันผู้หนึ่งไปเห็นเบิ้งทำไม่เบิ้งมาสันก็เ บ, บิ้งแล้วเสียเปียกพอนายก็แห้งเลยเห็นพ่อแห้งแล้วตัวก็สิบาปอยู่เด้ตัวก็ได้บบนี่บาปอยู่ไหม ไม่บาดอยู่ดอนหนึ่งไปเฮ็ดงานน้วกันลูกสิงห์ปดตุ๊บไปพ่อของขี่กองหนึ่งเขาขี่ออกมาใหม่ออกอายทวนๆอยู่เน่าหนาวลูกสิงห์ปดไปขังองฟื้นน้าพุนเลยแหละอ๋ออ๋อออสัตนตัวตั ว, ตวบดบวําบดไหลหรือหรือบดหั่งตีแค่สัตว เาว่าถ้าคนวมาใส้ๆน <speaking> ่ะนมันจะทษสีที่กองเคี๊ยูดาเดียนเว้นผู้เท่าไปด้วยย้อนจิตามหลายคือเห็นคือเห็นมาณอะไรละถ้าไปอยากกินงวงกิกล้วยแล้แบบก็เห็นอันนั้นน่ะก็เห็นเว้นอันนันน่ะ อยากเห็นหมารหกกับบังไตโลกระถาเนี่อยากเห็นสวนสทุกกับบังไตโลกระาเนอยากเห็นลงบ่มบ่ากับบังไตโลกระาเนพะพุพระอาเดยเจา้าพลจากลงบมบ่าหมดละตายหมดะ่ะ ขามควบหลงเจ้าของไปรับนิ่งมือเดียวเก้าบาทเดียวเลย ม, มันเก้าผ้ายนอกค้าที่สี่เก้าผ้ายนออกาทั้งปัญญาอาไรได้บาทพนไม้อะไรได้บาทพนที่ปวดทายอไรได้บาทไปประกันเถอะนี่